พุทโธสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพุทธวจนะนะคะคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุณโณนะคะก็จะได้นําเอามาตอบคํา ทั้งหมดค่ะเราไปพบกับท่านกัน 2549 โดยมี สมเด็จพระญาณสังวรเหมือนกันก็คือเอ่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิ่งที่ที่ฉันอยากจะกราบเรียนถามก็คือว่าเวลาท่านมากรุงเทพฯพวกเรา ทุก 15 วันก็ 2-3 ครั้งที่ได้เคยเสด็จมาลงอุโบสถแต่ส่วน พวกเรามั้ยคะเอ่อหนึ่งที่ที่เห็นได้ๆก็มีกิจกรรมด้าน<ใช> สมัยสมเด็จพระยาในสังวรสมเด็จพระเป็นกิจกรรมว่าต้องมีโดยพระสงฆ์ไทยไปต่างประเทศด้วยใช่ๆค่ะสิ่งคือเมื่อท่านได้ หน้าที่จะจดจําอย่างไรบ้างค่ะเอ่อจาก <ม. S 1> หนังสือก็มีมากมายคําเทศน์สอนก็ฟัง ถเดชคอนโซเดคพระสังฆราชน่าจะไปหามาอ่านอย่างยิ่งค่ะอืมเราในฐานะชาวพุทธได้ทําอะไรบ้างหรือว่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็จะ แล้วคนเนี่ยบอกเลยอายุ 100 ปีนะเกินกว่านั้นก็มีน้อยกว่านั้นก็แล 80 ปีนะอันนี้ข้อที่ 1 เอ่อข้อที่ 2 ธรรมะที่เห็น นะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาให้ถึง นะ, 3 นะเราเราควรจะบูชานะบอกท่านพระอนนท์เอาไว้นะสําหรับบูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทานอะไรต่างๆ อ่าสมัยที่เราไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้าน อยู่เช่นการแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกการลดอ่ากับเอ่อพยายามที่จะ ดิฉันเห็นถึงมีความเมตตาของทางสำนักงาน ให้เราเนี่ยระลึกถึงคุณงามความดีของตนเอง จนถึงปัจจุบันณวินาทีนี้แต่เดชะพระคุณบริสุทธิ์ถวายจิตแห่งพระองค์ท่านซึ่งสว่าง และส่งๆขอพระตนะไตรโพชินำและเปิดทางสว่าง ค่ะแต่ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนถามอีกเหมือนกันว่าหากสมมุติว่าเอ่อคนที่เขา อะไรที่ควรกล่าวนะซึ่งเอ่อพระสงฆ์ดีๆสักรูปใดรูปหนึ่งจะมาจากหมู่หรือบ้านใดสักหมู่บ้านหนึ่งเวลาที่เราจะ ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นนั่นก็คือ บทสรรเสริญอ่าเค้าเรียกอะไรคะบทสรรเสริญพระสงฆ์น่ะเพราะว่ามีบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ สุดท้ายทหารจะให้พวกเราได้อ่าเค้าเรียกอะไร ยึดเอาธรรมใดไปปฏิบัติเพื่อบูชาท่านกันต่อไปดีคะเอ่อหูจมูกลิ้นกายและ เรารู้จักที่จะเก็บจิตนะไว้อยู่กับ เพราะว่าสอดคล้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นพระนามของพระองค์ด้วยแล้วก็ยังเป็นธรรมที่ ยึดกําหนดเวลาเพื่อถวายอ่าเป็นสังฆะบูชาแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรค่ะท่านฝั่งที่เคารพคะอ่าคงจะพอคนแก่ สรรค์ที่กรคราวนี้คือ และนําเอาไปสู่การปฏิบัติให้ 106 ครบครัวขา